จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุมใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองเสยงหาคมพุทธศักราชสองพนห้าร้อยห้าสิบแปดเป็นวันที่ยากพี่น้องผู้มีความเลือ่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทาบุญทาทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเป็นการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจและเพื่อการหลับความโชกความวุ่นวายใจต่างๆเพอ บุญกุศลเองเป็นเหมือนยาที่จะรักษาโรคจริตโรคใจของเราให้หายใหนจิตของเรานี้เป็นปกติจิตของเราก็เป็นเหมือนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับร่างกายแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี้ร้ายแรงกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยของ ร่างกายเพราะร่างกายอย่างมากก็แค่ตายไปแต่ใจที่มีความทุกข์มีความไม่สบายใจนี้จะต้องไม่สบายใจทุกไปเป็นพบเป็นชาติเป็นในเวลาอัญญาวนานหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าใจมีความทุกข์ติดตัวไป ใจก็ยังต้องทุกข์ต่อไปต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่อไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่กี่เดือนกี่วันแล้วก็ตายพอร่างกายตา ย, ตายโรคภัยไข้เจ็บก็หายหมดแต่โรคภัยไข้เจ็บของจิตใจนี้ไม่ได้หายไปกับการตายของร่างกายยังติดไปกับใจต่อไปเพราะใจ เป็นสิ่งที่ไม่ตายและสิ่งที่จะรักษาใจให้หายจากโรคภัยของจิตใจได้ก็คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติเราก็จะทำให้ใจของเรานี้มีความสุขมีความสบายถ้าเราไม่ทำตามคำสอนเราก็จะ มีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจดังนั้นเราจึงต้องมาศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทําอะไรกันสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้เป็นเหมือนยาที่จะมากําจัดเชื้อโรคเชื้อโรคที่ทําให้จิตใจของเราไม่สบายก็คือความโลภ ค, ความโกรธความหลง เวลาใดที่เรามีความโลภเราจะมีความไม่สบายใจจะกะวนกยกศักดิ์ ก, ส, กสายกินไม่ได้นอนไม่หลับและเวลาที่เราโลภแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความโกรธขึ้นมานี่เป็นเพราะมีความหลงความหลงคืออะไรคือไม่รู้ว่าความโลภนี้เป็นต้นเหตุ ของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจและสิ่งที่โลกอยากได้ก็เป็นความทุกข์เป็นตัวที่ทำให้ใจต้องทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้ล้วนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเวลาได้มาก็ดีอก ด, ดีใจเวลาเสียไปก็ร้องโหยร้องอ้ากันแต่ก็ไม่เคยเข็ดร้องอีกครั้ง เดี๋ยวก็เลืมลืมแล้วก็อยากได้ใหม่พอจะอาได้ก็วุ่นวายใจต้องเดินหนุนต่อสู้ขวนขวายเพื่อที่จะเอาสิ่งที่อยากได้มาพอได้มาแล้วก็ต้องมาวุ่นวายกับการรักษาวุ่นวายกับความห่วงวุ่นวายกับความหว ง, วหววหวงแล้วเวลาเสียไปก็วุ่นวาย กับความสูญเสียร้องห่มร้องห้ากินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งนี้เกิดจากความหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงของเราอยู่ที่ไหนนั่นเองเราคิดว่าความสุขอยู่ที่ลาบยศสารเส ร, ร, ส ร, ริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผฏภเราจึงแสวงหาราบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรส หมดทัพาแต่หามาได้เท่าไหร่ความสุดมันก็ได้เพียงเดี๋ยวเดียวแล้วสิ่งที่มาตามมากับสิ่งที่เราได้ก็คือความทุกข์ความกมังวลความห่วงใยได้เงินทองมาก็มีความห่วงใยว่าจะหมดเมื่อไหร่เพราะเวลาเงินทองหมดก็เดิอดร้อน ได้ยศได้ตำแหน่งมาก็วิตกกังวลว่าจะหมดไปเมื่อไหร่เวลาหมดยศไปก็เสียหน้าอับอายขายหน้าชาวบ้านเคยเป็นใหญ่เป็นโตพอเสื่อมไปก็กลายเป็นคนธรรมดาไปเวลามีใครสรรเสริก็ดีอกดีใจพอเขาไม่สรรเสริญ เขาตำหนิตีเตียนก็เสียใจไม่สบายใจนี่คือความทุกข์ที่พวกเราคิดว่าเป็นความสุขกันเราหาการแทาเป็นแทบตายแต่ความทุกข์ก็ไม่ก็ไม่หายไปความสุขที่ได้มาก็หายไปอย่างรวดเร็วเวลาได้มาใหม่ๆก็ดี อ, อกดีใจแล้วเดียวๆก็ได้ความทุกข์ตามมาทันที ทุกพรักพ่อห่วงพ่อหว่อหวเวลาได้แฟนมาก็ดีอดดีใจเดี๋ยวพอแฟนไปคุยกับคนนั้นคนนี้หน่อยก็เกิดความทุกข์ใจแล้วเกิดความกังวลแล้วว่าเขาจะไปมีอะไรกันหรือเปล่าเขายังรักเราเหมือนเดิมหรือเปล่านี่คือความทุกข์ที่ตามมาจากการที่เราไปหาสิ่งต่าง เช่นลาบยศสารเสริญหารูปสิงกิดรสต่างๆมันเป็นความสุขเดียววเป็นเหมือนควันไฟได้มาปั๊บมันก็จะหายไปแล้วได้ความทุกข์ตามมาได้อะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้เพราะรักเพราะหวงได้อะไรก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะอยู่กับเราไปนานๆหรืออยู่กับเราไปตลอดหรือแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปตลอดพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องไปต่อไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปเกิดใหม่เพื่อจะได้กลับมาทุกข์ใหม่นี่คือความหลงตานไดที่เรายังหาความสุขนอกตัวเราอยู่เราจะไม่มีวันได้ความสุข เราจะมีได้แต่ความทุกข์ได้แต่ความหิวความอยากเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดนี้จะต้องหายาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่หาไม่ได้เวลานั้นก็จะทุกข์ทรมานใจอย่างมากอาจจะถึงกับตายไปเลยก็มีฤทธิของความติดของยาเสพติดมันร้ายแรง ของต่างๆที่เราอยากได้อยากมีนี่ก็เป็นเหมือนอยาเสพติเวลาอยากได้นี่ใจเรากระวนก็ายไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องมาเดือดร้อนบรบกวนพระกันมาขอพรกันขอให้ได้สิ่ง น, นั้นขอให้ได้สิ่ง น, นี้กันไม่เคยฟังพรของพระเลยพรของพระก็คือว่าอย่าไปอยากได้อะไร เพราะความอยากนี้เป็นเชื่อโรคของใจทำให้ใจไม่สบายถ้าอยากจะสบายใจอยากจะมีความสุขอย่าไปอยากได้อะไรเพราะความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจที่ไม่มีความอยากนั่นเองถ้าใจไม่มีความอยากแล้วใจจะมีความสุขมากดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรา ยุติการหาความสุขภายนอกใจอย่าไปหาลาบยกสรรเสริญอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นลดกันเพราะมันจะเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องไม่สบายใจกันให้มาหาความสงบกันความสงบคือความสุขที่แท้จริงของใจความสงบจะทําให้ความอยากหายไปพอความอยากหายไป ก็เหมือนกับเชื้อโรคหายไปจากใจพอไม่มีเชื้อโรคใจก็หายจากความทุกข์ความวุ่นวายใจใจก็มีแต่ความสุขเหมือนกับร่างกายเวลาที่ร่างกายไม่สบายเราก็ต้องกินยากินยาเพื่อจะได้ทำลายเชื้อโรคที่ทำให้เราไม่สบายเรากินยาเข้าไปยาทำลายเชื้อโรค อาการไม่สบายอาการไข้ก็หายไปนี่คือเรื <S <S ่องเหมือนกันเรื่องของร่างกายกับเรื่องของใจนี่คล้ายกันความไม่สบายใจของร่างกายก็เกิดจากเชื้อโรคของร่างกายความไม่สบายใจของใจก็เกิดจากเชื้อโรคของใจวิธีรักษาก็รักษาเหมือนกันรักษา ร่างกายก็ต้องเอายามารับประทานรักษาใจก็ต้องเอายามารับประทานยาของใจก็คือธรรมะโอสดธรรมะก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราสละให้เราหยุดการหาทรัพยาากหายศหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการทำทาน เวลาที่เราอยากจะเอาเงินไปซื้อความสุขเอาเงินนี้ไปทําบุญจะทําให้ใจมีความสุขมากกว่าและเป็นความสุขที่ยาวกว่านานกว่ากว่าความสุขที่เราได้จากการเอาเงินไปซื้อเช่นเราไปดูภาพยนตร์เราก็มีความสุขในขณะที่เราดูพอเราออกจากโรงภาพยนตร์มาความสุขนั้นก็หายไป แล้วก็เกิดความทุกข์ใหม่ขึ้นมาอยากจะดูภาพยนตร์เรื่องใหม่แต่ถ้าเราเอาเงินที่ไปดูภาพยนตร์นี้มาทำบุญทำทานเราทำแล้วใจของเราจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอจะไม่รู้สึกอยากจะมีอะไรอยากได้อะไรนี่คือความแตกต่างกันในการหาความสุขหาความสุข ที่ทำให้เกิดความทุกข์กับหาความสุขที่ทำให้เกิดความสุขที่แทจจ้จริงต้องหาด้วยการสละเงินทองไปอย่าเอาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายเพราะเหมือนกับไปซื้อยาเสกติดให้เอาเงินทองไปซื้อความสุขที่แทจจ้จริงเหมือนกับเราเอาเงินทองไปซื้ออาหารเวลาเราซื้ออาหารมารับประทาน ร่างกายเราก็อิ่มเราก็มีความสุขใจของเราก็ต้องการอาหารอาหารของใจก็คือบุญที่เกิดจากการทําทานนี่เองเวลาเราทําทานแล้วใจของเราจะมีความสุขแล้วหลังจากนั้นท่านก็สอนให้เราอย่าไปทําบาปเพราะการทําบาปนี้จะทําให้ใจเราไม่สบายเวลาเราฆ่าสัตว์ ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเราจะไม่มีความสุขเราจะมีความไม่สบายใจเพราะเราจะกลัวกับวิบากขบหนของการทำบาปที่ยตามมาเวลาเราไปรักทรัพย์ของผู้อื่นเราก็กลัวว่าจะถูกเขาจับได้เวลาเราไปประพฤติผิดประเวณีเราก็กลัวว่า แฟนของเราจะรู้เข้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขการทำบาปไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขการทำบาปเป็นวิธีหาความทุกข์กันดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขมีความสบายใจเราต้องไม่ทำบาปนี่คือวิธีการรักษาใจของเราด้วยธรรมโอโสถ ทำทานก็จะทำให้เราสบายใจรักษาศีลไม่ทำบาป ก, ก็จะทำให้เราสบายใจแล้วถ้าอยากจะให้สบายใจมากกว่านี้และนานกว่านี้ก็ต้องทำใจด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบนี้จะได้ความสบายใจเต็มร้อยความสบายใจจากการทาทานกับการรักษาศีลนี้ ยังไม่ได้เต็มร้อยเหมือนกับการทำใจให้สงบเวลาทำใจให้สงบนี้เชื่อโลคนี้ถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้ทำให้ไม่สามารถออกมาสร้างความไม่สบายใจให้กับใจได้แล้วถ้าอยากจะให้ความสงบนี้สงบอย่างถาวรเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญา มาค่าเชื้อโรคให้หมดไปสมาธินี้ไม่สามารถทำลายเชื้อโรคได้อย่างท้าวอนถ้าอยากจะทำลายเชื้อโรคอย่างท้าวอนต้องใช้ปัญญาปัญญาจะบอกให้เรารู้ว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจและสิ่งที่เราได้มาก็เป็นความทุกข์เพราะว่ามันไม่อยู่กับเราไปตลอด มันไม่เป็นเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาได้มาใหม่ๆมันดีไปหมดพออยู่กันไปไม่นานเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกับแฟนของเราเวลาได้กันมาใหม่ๆนี้ดีไปหมดพออยู่ไปนานๆเข้าเริ่มเปลี่ยนไปความดีเริ่มหายไปความไม่ดีเริ่มโผล่ขึ้นมาเพราะนี่เป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนไปตามเวลา มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปมีเกิดก็ต้องมีดับไปพอได้มาแล้วก็จะต้องทุกขกับสิ่งที่ได้มาทุกเพราะความหวงทุกเพราะความหวงและทุกเพราะความเสีย อ, อกเสียใจเสียดายเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปนี่คือปัญญาต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไป พอเห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากจะโลภไม่อยากจะโกรธไม่อยากจะหลงพอไม่โลภไม่โกรธไม่หลงความสงบความสุขใจก็จะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสึ้นสุดนี่คือใจของพระพุทธเจา้าใจของพระอาหารหันตสาวกและใจของพวกเราถ้าพวกเราหมันชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไป ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพ่อพระพุทธเจ้านี่แหละคือหน้าที่ของเราถ้าอยากจะรู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรก็เกิดมาเพื่อมารักษาใจที่ไม่สบายนี้ให้หายจากการไม่สบายใจเพราะเมื่อใจหายแล้วใจก็จะอยู่อย่างเป็นสุขไปตลอดใจจะไม่หลงไปกับการไปเกิดใหม่ เพราะการเกิดนี้ย่อมเป็นการหาความทุกข์เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดมากี่ครั้งก็ตามจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทุกครั้งถ้าไม่อยากจะแก่จะเจ็บจะตายก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นการจะไม่เกิดก็ต้องชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจ พอไม่มีความโลภความโกรธความหลงนะก็จะไม่มีการเกิดเพราะใจจะมีความสุขใจไม่ต้องไปหาร่างกายมาให้ความสุขกับใจต่อไปนี่คือหน้าที่ของพวกเราเกิดมาเพื่อที่จะมารักษาใจให้หายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและจะรักษาได้ก็ต่อเมื่อมีหมอมียา ถ้าไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับไม่ได้เจอหมอไม่ได้เจ อ, อยาก็จะไม่มีโอกาสที่จะรักษาใจให้หายได้แต่ชาตินี้พวกมนี้พวกเราโชคดีได้มาเจอพระพุทธศาสนาเหมือนกับมาได้เจอหมอเจ อ, อยาหมอก็คือพระพุทธเจ้าภาษาวกทั้งหลายยาก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเอาอยาที่พระพุทธเจ้า มองให้กับเรามารับประทานเราก็จะหายจากโรคไม่สบายใจยาก็คือการทำทานรักษาศีนั่งสมาธิและเจริญปัญญาขอให้พยายามรับประทานยาสี่ชนิดนี้รับประทานบ่อยๆรับประทานมากๆแล้วต่อไปเรื่องของความไม่สบายใจจะไม่มีอยู่ในใจของเราอย่างแง่นอน จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทําบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อรักษาใจให้มีความล่มเย็นเป็นสุดนี้ให้ท่านได้นำมาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความโน้มเย็นเป็นสุดของใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา